ตถาคตวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <martyr> พุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอนอกนองแด่พระผู้มีพระภาครหันสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบนัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนาน้นและเบียบที่ทำ น, นั่งสมาธิสอนไว้ เป็นสมัยที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ลมไมโ่โพึ่วงวันนั้นเป็นวันพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้พระองค์เสด็จออกบรรพช า, าได้หกพันสาร่วแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เขดีวันนั้นเป็นวันเดือนหกเพนเดือนหกเพนนั้นถ้าเป็นทางเหนือแล้วว่าเดือนแปดเพนเพราะว่าเดือนนี้ทางเหนือกับทางใต้ไม่เหมือ น, นกันทางเหนือเขาเร็วไปสองเดือนแต่ชื่อมันอันเดียวกัน แต่เดือนวันที่นั้นเอาตามทางใต้เหมือนกันเมื่อพระองค์มาถึงลมไมโพนั้นมาเห็นต้นไมโพแล้วก็ชอบพระพเยว่าต้นไม้ต้นนี้สวยงามทั้งจริงการสาขาลงเลา่าตามตำนานว่าต้นไม้ต้นนี้ก็เรียกว่าเกิด ปีเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราคือพระพุทธเจ้าอายุได้สามสิบห้าต้องไม่พอนั้นก็เรียกว่าสามสิบห้าปีต้นไม้ที่ได้สามสิบห้าปีนั้นเรียกว่าเป็นต้นใหญ่พอสมควรเป็นร่มเราดีเมื่อพระองค์มาถึงที่นั้นก็ตั้งใจไหว้วา จะภาวนาให้ได้กรดสโลเป็นพระพุทธเจ้าเทวีวิธีใดต่างๆก็ทำมาก็ยังไม่ยังตรัสยังไม่ได้ยังไม่คร่อมมลพอมาถึงต้นไม้ต้นนี้ต้นตโพนี้ให้ชื่อภายหลัเงเดิมสมัยก่อนก็คงเรียกเป็นต้นไม้อีกอย่างหนึ่ง พระองค์ก็ตังภากายว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคือมันยังไม่รับกลุ่มพอยังไม่เด็ดเดียวพอพระองค์ก็เปลี่ยนเป็นนั่งขัดสมาธเพชรซึ่งพระพุทธโลกสมัยนี้ก็พอจะดูได้อย่างว่าหลวงพ่อเพชรจำบัดจุดกรด็ด หลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตก็นั่งขับสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายอันนี้เป็นวันฟะพุทธเจ้านั่งได้ตรัสรู้เป็นฟะพุทธเจ้า เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ต้องสัจจะทิฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวน า, คาเครมีจะเป็นการนั่งให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปเสียเครมีอยู่สองอาการอาการหนึ่งถ้าหากว่า นั่งสมาธิภาวนาจิตใจยังสู้กับกิเลสมาสังขารมาไม่ได้พระองค์ก็ตัดสินใจลงไปว่าภาพจริงอย่างนั้นจะไม่ลุกจากที่นีเสียงอันขัดและไม่ไปสแสวงหาอาหารนักยินราบาสมายี่งชีวิตท่าตัดจะรู้ไม่ลงตัดจะรู้ไม่ได้ยังพ่ายแพ้ต่อกิเลสมา พระองค์เลยตัดสินใจลงไปว่าเราจะเอาที่ไหนเป็นที่ตายทางรูปร่างตายถ้าไม่ได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าถ้าได้ตรัสโลเปนพระพุทธเจ้าก็จะได้โปรดเวนัยยศรรทั้งหลายเมื่อพระองค์ตัดสินใจลงอางนั้นจิตใจก็เลื่อนแน่แน่มัมม่นคง ไม่ในการหวั่นไหวไม่กลัวตายเพราะได้ตั้งใจตายเียแล้วถ้าใจไม่กลา้าแข็งขอก็ยอมตายในที่นี้ขาดหนึ่งแต่เมื่อตั้งสัตยาที่ฐานลงไปกำลังกายก็มีกำลังกำลังจิตก็มีกำลังไม่หวั่นไหว เรียกว่าทำใจของพระองค์เหมือนแผ่นดินวางเฉยได้ทุกอย่างทุกประการเต่นี้พระองค์ก็มากำหนดว่าจะเอาโอบายใดมาภาวนาคำว่าพุโทโธพุโทโธที่เรานึกอยู่เหล่านี้เป็นเรื่องของพระพุธทธเจ้าได้ตัดสู้แล้วแต่เวลานั้นยังไม่ได้ตัด พระองค์ก็เลือกด้วยนำประไายใจพระพุทธองค์เองว่าจะต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายมัดจิตใจให้อยู่ให้จงได้คนเราทุกคนมีลมหายใจเข้าหายใจออกท่านก็เอาลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวว่าลมเข้าไปก็โลว่าลมเข้าไป ผโลภจากว่าลมเข้าไปนั่นคือสติจิตผู้กำหนดว่าลมเข้าลมออกไม่ให้เกิดมีสติความระลึกได้คือจิตใจดวงเดียวนั่นแหละแต่เอามาเป็นสติคอยะะระมัดระวังสตินั้นคือระวังจิตจิตนั้นเปียกเหมือนทาลกเหมือนเด็กน้อยที่ยังไม่รู้ภาษาอะไร ถ้าพ่อแม่พี่เลี้ยงผู้ ด, ดูแลไม่รักษาเด็กนั้นก็ตกบ้านตกเรือนคอหักตายไม่เจริญขึ้นมาได้แต่คนเราทุกคนที่พ้นภัยมานั้นด้วยบุญกุศลพ่อแม่ช่วยดูแลให้เคอสติเอาพ่อแม่เป็นสติ สติที่พระองค์เอามาระลึกว่านี่ลมเข้านี่ลมออกทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วก็ระวังในจิตในใจของพระองค์ไม่ให้คิดไปภายนอกนอกจากลมหายใจเข้าออกไม่ออกคือเอาลมเข้าลมออกนี่เป็นที่สังเกต มันออกไปแล้วก็แล้วไปมันเข้าไปแล้วก็แล้วไปแต่เอากรงที่ผ่านที่พระองค์รู้ได้ว่าที่ลมผ่านเข้าไปนะมันมีจิตใจอยู่ที่รู้มีเอกอะไรมันผ่านไปจิตเป็นผู้รู้ลมเข้าลมออกลมออกลมเข้าทวามการง้นพระองค์ก็ กำหนดโอบายธรรมที่ว่ามรณะความตายทกลองหายใจเข้าออกด้วยลมเข้าลมออกนี้มันแสดงว่าถ้ายังมีลมเข้าออกอยู่นี่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าลมนี่แหละออกไปเกิดติดขัดสูตรเข้ามาไม่ได้คนนั่นก็ตายถ้าองค์ก็ตายเหมือนกัน ถ้าเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็ตายมรณะกรรมาฐานนี้ก็เป็นเครื่องเตือนจิตใจของเรอองค์ให้สงบระนั์เจ็บใจก็สลดสำเวทว่าคนเราและสสตว์โลกทั้งหลายความตายมันใกล้ที่สุดมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกเท่านี้เอง จะไม่มีโครคไข้ไข้เจ็บอันใดมาเบียเดเบียนก็ตามถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วสูตรเข้ามาไม่ได้ก็ตายพระองค์กำหนดลงเข้าออกด้วยกำหนดมรณะนะกรรมาฐานคือความตายด้วย ภายหลังมาเมื่อพระองค์ได้ตัดสรู้แล้วก็เอามราณะนะกรรมฐานนี้มาเตือนพุทธบริษัทด้วยว่าให้พากันนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกส่วนว่าเร า, าตัฐากฎนั้นไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเลยลมเข้าไปเมื่อใดพระองค์ก็รู้ว่า เราจะต้องตายได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเข้าไม่ออกแล้วก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมารณกรรมฐานนี้เรียกว่าตนทราบอยู่ใน จ, จิตใจของพระองค์ จ, จิตใจของพระองค์ก็สลบสังเวตไม่ฟู้งร่านลำพังเหมือนตะกาวมา ใ, ใจก่อนแ น, แน่แน่เยน็นสบายเรี๋ยว่าเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิยึดใจพระองค์ก็เรียกว่าสงบประงักเป็นสมาธิภาวนาสิ่งที่จงกําหนดที่จะนำมาลูกนามตายใจตัวตนของพระองค์นั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ในเคืนงานนั่นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตับสลุพระอนุตตรสัมมาสัมโวธิญาณนอกจากระกิเลสความโกรธความโลภความหลงตัดกิเลสความโกรธโลภหลงได้แล้วยังละวาสนากิริยากายวาจาใจอันใดไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดแต่ว่าละกิเลสพร้อมทางวาสนา ก็เป็นอันว่าตั้งพระไทยเพื่อจะโปรดเวนา ย, ยศสสังดาทั้งมนต์ลและเทวดาอินทรหมไม่ทอถอยอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทนั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธ การนั่งขัดสมาธินั้นง่ายสบายดีแต่ว่าคนเราเมื่อยังไม่เคยก็เป็นของยากแท้ที่จริงแลวการนั่งขัดสมาธินั้นขาข้างสองขามันลงถึงพื้นหมดไม่ใส่เพียงจะเอาทับไว้ข้างบนทับข้างล่าง ขาทั้งสองข้างลงถึงชื้นเรียว่ารับนั่าหนักเท่าๆกันการนั่งแบบนี้เป็นการนั่งได้ผลมาแล้วพระพุทธเจ้านั่งมาก่อนพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายก็หัดทำหัดนั่งให้ได้อันนี้เป็นเพียงระเบียบสาคัญอยู่คือจิตจิตใจนั่น เป็นธาตุนามธรรมแต่มาอาศัยอยู่ในลูกพัขันคือร่างมนุษย์ร่างกายมนุษย์ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบในนี้เรีว่ามีดวงจิตดวงจิตดวงใจนั้นมีอาการอยู่สี่อย่างเรียกว่านามธรรมทั้งสี่ เวทนาหมายถึงจิตใจสเสวยอารมณ์สขบ้างทุกบ้างที่มันเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารดวงจิตนั้นได้ ว, ว่าไปรับรู้ในสิ่งเหล่านั้นอยู่โลกเวทนาสัญญาจำหมายสีดำสีแดงก็จิตทงนั้นแหะ ฝังขารตรงแต่งคิดนึกอะไรต่อนีอะไรอีกก็จิตนั่นแหละเวีย ญ, ญานเมื่อคิดอะไรต่อมีอะไรก็รู้ตามอาการเหล่านั้นชื่อว่างามธรรมขั้งสีน่นี้เมื่อย่นย่อเข้ามาท่านก็ให้ชื่ออีกว่าดวงจิตนั้นมันมีความรู้อยู่แม้ว่าจิตใจผู้รู้อยู่ ทั้ทสี่อย่างมารวมมารู้อยู่ตาเห็นโูกก็รู้อันนี้แลเป็นผู้รู้หูฟังเสียงก็รู้อันเดียวกันจมูกดมกลิ่นดินดิ้นรสก็จิตดวงเดียวนั่นแหละท่านจึงให้รวมจิตใจเข้ามาตั้งมาสงอบอยู่ที่ดวงจิตรู้อยู่ดวงจิตรู้อยู่นี้ไม่ใช่ว่ามาเทศมาแสดงแล้วจึงมีดวงจิตผู้รู้ ดวงจิตพวกโลกมันมีมาตั้งแต่อนเนกชาตินับพบนับชาติไน่ท่วนแล้วคนคนหนึ่งก็มีจิตใจดวงรู้อันนี้แหละมันไม่ตายรูป ก, กายมันตายไปในชาตินั่หนึ่งนับไม่ท่วนแต่มันหาได้ตายเหมือนอย่างวัาฏ์าดินน้ำไฟลมไม่ ดวงจิตอันนี้มันยังไม่ตายก็เกิดตายเกิดตายมาอย่างนี้โดยลำดับด้วยอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงยังไม่หมดไปสิ้นไปจึงมีวิธีการต่างๆที่จะเอาจิตใจดวงนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมามีบริกรรมภาวนาเป็นบทเป็นบัต ต่างๆนานามากมายหลวงหลายแต่อย่างไรก็ตามคือว่าอุบายใดอุบายหนึ่งเมื่อเราเอามากําหนดพิการนาให้ใจเราสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้ก็ใช่ได้เท่านั้นจะกําหนดความตายก็ได้ความแก่ความเจ็บความไข้หรือกําหนดพุดโทโธธรรมโมสังโฆ อ, อันใดก็ได้ แต่ว่าต้องตั้งใจกำหนดทำอะไรก็ให้ตั้งใจทำรวมจิตใจลงไปใหมันเป็นหนึ่งคำว่าเป็นหนึ่งจิตมันมีหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่ามันหลงไหลไปตามสังขารยิงยากิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีคนใดสอน ที่จะสอนได้ก็คือว่าต้องมีขพุตติเจา้าผู้บำเพ็ญบารมีมาสีอสงไขยแสนหมากับจึงจะได้ความรู้ความเข้าใจมาสอนจิตใจของมนุษย์และเทวดามารถมได้เมื่อพระองค์ได้ดสัตว์โกเป็นะพุตธิเจ้าจริงแล้วจึงได้โปรดเวนัยสัตว์ตลอด ส5ห้าปีที่พระองค์มีอายุตั้งแต่วันตรับสรูจนอายุได้แปดสิบปีบริบูรณ์ก็เป็นธรรมดาของสังขารทางหลายสิบปีแปดสิบปีนั้นเนยาว์มันแก่ชราตามธรรมชาติไม่ใช่เด็กเล็กเกิดมายังไม่ถึงเก้าปีสิบปีตายเย้วา เจ็ดสิบปีแปดสิบปีก็เป็นธรรมดาแล้วถ้าเลยนั่นไปก็ลำบากเพราะว่าสังขารทางหลายมันเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปเหมือ น, นเราเห็นคนเข่าคนแก่เลยแปดสิบปีเก้าสิบปีหรือถึงร้อยปีก็ยังมีบางคนทำอะไรไม่ได้แล้วมันหมดกำลังไปเอง ในขณะที่เรายังมีชีวิตลงหายใจอยู่ดีสบายยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาป่าใสได้จึงเป็นโอกาสอันดีเพราะเวลากำลังกายกำลังจิตมีกำลังนั้นทำอะไรก็ได้หมดทุกอย่างจงควรประกอบกระทำข้อวัดปฏิบัติในทางสมาธิภาวนานให้เต็มที่ มันต้องทำประกอบถ้าไม่ทำไม่ประกอบไม่ได้ดูกิจ ก, กรรมกา ร, รงานที่มนุษย์คนเราทำมาหาเลี้ยงชีพอยในโลกนี้ก็ต้องทำต้องประกอบกระทำกา ร, รงานน้ำจิงสสำเร็จเป็นปัจจัยทั้งสี่รอเลียงร่างกายสงขามไนะส้วนธรรมะปฏิบัติก็ต้องตั้งใจขึ้นมาเป็นพิเศษ ในคืนหนึงหน่งถือเวลาการกลางคืนเป็นหลักในขั้งแรกความที่เราจะหลับจะนอนทุกๆคืนนั้นให้ตั้งใจไว้ตั้งสัจจะอธิฐานใจไว้ว่าเราจะต้องปราบพระายพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบริกรรม จะเอาพุโทโธหรือมรณ ะ, ะกรรมฐานลงหายใจได้ทางนั้น a n y t i m เมื่อเรานึกเจริญแล้วสะดวกสบายในใจของเราก็เอาอุบายนั้นนึกเจริญจิตใจก็เพ่งเล็งรวมลงไปดูดวงจิตที่ว่าดวงที่โลอยู่จิตใจดวงที่โลอยู่นั้นไม่ต้องไปหมายที่นั่นที่นี้ อันที่นั้นคือในร่างกายเนมันอยู่เต็มตัวนั่นแหละแต่ที่ไหนมันก็จิตจิตนั้นเราจะไปหมายว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ถูกจิตนั้นเป็นธาตุนามธรรมอยู่ที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ไม่ติดขัดเราต้องเพ่งลงไปในจิตกายว่าจุดไหนเป็นจุดลจุดไหนเป็น ศูนย์กลางเรียกว่าศูนย์ศูนย์นั่นถ้าเขียนหนังสือก็เขาเขียนกลมๆวงรอบมาจอดกันเรียกว่าศูนย์ศูนย์ปฏิบัติศูนย์ทํางานอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าจุดน่งา น, น, นจุดต่ากทุกคนก็เรียกว่าศูนย์รู้อยู่ดวงจิตที่รู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ในใจเรานั่นเอง แล้วว่าจุดหนึ่งศูนยรู้อยู่ที่นะ้นเสียงคนเสียงจัตว์หออะไรก็ตามจิตดวงนี้เป็นผู้รู้แล้วว่ากงนี้จนะเป็นผู้ตั้งใจลงไปบริกรรมภาวนาสุขโทรก็รวมมานี่นึกถึงความใจที่จะมาถึงตนก็รวมมาที่นี่รวมมาอยู่กับจิตใจดวงที่รู้เนี่ จนจิตดวงนี้มีสติเต็มที่เรียกว่าสติปฐานสี่เราลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็อนเลิกอยู่ในกายในจิตของเราทุกคนนั่นเองรวมเข้ามาที่นี้ก่อนจิตใจดวงนี้สงบระนัดตั้งมั่นได้รับความสุขสังเวชไม่ล้มไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธตุทงหลาย จิตใจดวงนี้ก็มีสติเต็มที่มีสมาธิมั่นคงมีปัญญาเกิดขึ้นแก้ไขได้ด้วยตนเองจิตใจของตัวเองจนจิตใจดวงนี้มีกำลังมีความสามารถอาจหาพิจารณาทั้งกายและจิตได้ตลอดเรื่องราวภายนอกก็ให้รวมลงว่า ไม่เที่ยงทั้งหมดในโลกเรามาเกิดอาศัยนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์ ท, กทั้งนะไม่มีที่ไหนเป็นสุขลงท้ายที่สุดที่เรามาเย็ดว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าอะไรต่อมีอะไรนะั้นความจริงไม่ใช่ของไกายทุงทั้งหลายในโลกเป็นของกายเมื่อมนุษย์ที่เกิดมาอย่างไม่ตาย ไปตามหน้าที่แต่ถ้ามันแตกดับตายไปแล้วก็กแล้วไปในชาติหนึ่งถ้ามันยังลุ่มหลงอีกกลับมาเกิดอีกก็ทำไปอย่างเก่านั่นแหละนี่มันเป็นวัตะสงสามอย่างนี้พุโทโธพระพุทธเจ้านั้นท่านมารู้แจ้งรู้จริงรู้ในใจของพระองค์ เป็นธรรมดาสพัพพัญโยพุทธะจะต้องรู้มากมายหลายอย่างจมกระทั่งนำมาสอนมนุษย์ได้สอนได้ทั้งเทพทั้งเทวดาอินทร์ที่เป็นลูกพุทด้วยแลว่าไม่มีหยดหยอดวันนั้นพระพุท ธ, ธเจ้านั้นทำกิจห้าอย่างตอนเช้าโปรดสัต ในทางบินถบ่าตอนใบบ่ายเย็นๆตัดพระธรรมเทศนาสอนญาติสอนโยมตามพบข้ามอย่างนี้ก็ประธานโอวาทแก่นักบวชภิกษุสงภิกษุภิกษุณีตอนเชยงคืนก็เทศให้เทวดาอินฟมที่มองด้วยตาหนังไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็น ท่นก็สอนของท่านโยนจตสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกผู้ใดมีอินทรีย์บารมีเก่กลมาพอจะบอกจะสอนได้ตัด ส, สอนได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไป จิดห้าอย่างนี้เป็นคำเงียนของระพพิสเจ้าทั้งหลายที่มาตรัสลู้ในโลกเมื่อท่านตรัสลูแล้วก็ทำจิตห้าอย่างนี้หรือองค์ปัจจุบันนี้ท่านก็ตรัด อ, อย่างนี้เป็นองค์ใดที่จะมาตรัสลู้ในโลกข้างหน้าก็มาสอนอย่างนี้แหละสอนให้รู้จักจ ทำความเพียและกิเลสภาวนาละกิเลสไม่ใช่ว่าภาวนาเอากิเลสอันภาวนาเอากิเลสนั้นเป็นธรรมดาโลกอะไรอะไรมันก็มีกิเลสมีความอยากเรียกว่ า, าการมัตต์ตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาพระพุทธเจ้าสอนให้ละให้วางหมายถึงผู้ที่จะพอละพอวางได้ แต่ว่าถ้าความตายมาถึงเข้าอะไรก็วางได้ละได้ทั้งหมดเพราะว่ามรณะคือความตายนั้นมันไม่เลือกว่ายังเด็กยังหนุ่มคนแก่คนจรามันตายตายได้โลกเดียวมันกันแล้วก็ให้พากันรีบเร่งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาอยา่าไปรอให้มันแก่ มันแก่เนั่นคือว่าแก่ชราแล้วทําอะไรก็ไม่ไหวอย่างคนแก่ชราบางคนจะลุกก็แลว้วร้องโอ้ยเสีก่อนจึงลุกได้เวลาจะนั่งก็ร้องโวยเสีก่อนจึงค่อยนั่งเวลาไปวัดไปวาก็คนแก่ก็มักจะไปขอยากับพระให้ขอยากแก้ปวดหัวเขาบ้าง ในทุกอย่างนั่นแหละีนคือว่ามันแก่มันแก่แล้วเยียวยาพยาบาลอะไรก็ไม่ได้ผมก็แก่ฟันก็แก่ฟันแก่พออยังชั่วทาฟันปลอมขึ้นมาพอได้บทเขี้ยวอาหารตาแก่บางคนก็เจาะตาออกใส่ตาใหม่บางคนก็เห็นบางคนเจาะแล้วก็ไม่เห็น เอาแน่ไม่ได้มีสมาธิมีความตั้งใจมั่นยังได้เลยทรงรทธธรรมทาให้รีธธรรมต่เสียเวลาจะปล่อยให้อำนาจที่เล็กความโกรธความโลภความหลงนั้นเป็นใหญ่ในหัวใจของเราแล้วไม่มีเมืองพอมีพุทธเจ้ธธาคิดข้อหนึ่งพระองค์ทรงตัดลว่า นักทิตัิหาสมานาทีแม่น้ำจัดเสมอด้วยตันหาไม่มีอันแม่น้ำลำคลองบึงบางต่างๆยังเต็มในฤอดูฝนแต่ตันหาในจิตใจของมนุษย์ประเทว ด, ดาอินทร์ชมทั้งหลายที่ยังไม่พ้นทุกนั้นไม่มีเมืองของ ได้อย่างหนึ่งแล้กวก็อยากได้อย่างหนึ่งต่อไปดีอย่างหนึ่งแล้กวก็อยากดีอย่างหนึ่งต่อต่อไปเลว่าตัณหากามัาตัณหาความรักให้พอใจภาวะตัณหาเนื้ความยินดีพอใจในภบในชาติต่างวิภาวะตัณหาไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่ทําตัวไป ตัญหาในใจมนุษย์แต่สับ ก, กัลายไม่มีที่จบสิ้นลงไปปัญหาในใจแจะสิ้นไปกว่า น, นี้แหละรวมจิตให้มาสงบระนับตั้งมั่นให้อยู่ในตัวในใจจริงๆจนจิตนี้มีสติสิ้นที่จนจิตนี้มีสมาธินี่มีสติสิ้นที่ จนจิตนี้มีสมาธิความตั้งมั่นเต็มที่จึงจะเกิดปัญญาวิชาความรู้ขึ้นมาพิณิชฌรณาสอนจิตสอนใจของตัวเองให้เกิดความรู้ความฉลาดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แก้ไขได้ด้วยจิตใจของตัวเองอย่างนี้จึงจะทรนจึงจะทรนกับทีเรี แต่ว่าถ้าหากว่าจิตอันนี้มันยังไม่แข็งแรงพอท่านก็ให้บริกรรมภาวนาตั้งหลักจิตใจให้ได้ถ้าจิตสงบประมัดแล้วแม้จะยังไม่เกิดอย่างอื่นก็ตามจิตใจย่อมเย็นสบายไม่เล่าร้อนแต่ถ้าหากว่าตั้งใจในสมาธิภาวนาไม่ได้แล้ว เมื่อเกิดความคิดความนึกอะไรขึ้นมาแลวมันจะไปตามที่ว่านาทีตันหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตันหาไม่นี้มันไม่มีที่ขอไม่มีที่ซึกที่เต็มด้วยว่าไม่สงบเมื่อใดเราไม่ได้จึงจำเป็นต้องเริ่มตั้งใจขึ้นมาทีเดียวว่าในคืนหนึ่งหนึ่ง จะไม่ปล่อยให้มันร่วงเลยไปเราจะต้องกราบพระกรายพระนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้มากก็ให้จิตใจสงบระงับลงไปพักหนึ่งคนโบราณท่านสอนอย่างน้อยไ ว, ว้ว่าการทำใจให้สงบนั้นให้ทำเสมอจนอย่างน้อยให้ได้แค่ช้างพับหู งูแลบลิ้นงูนั้นเป็นธรรมดามันจะต้องแลบลิ้นหนวกต า, ปาเป็นธรรมดาช้างมันกับพับหูวัวควายมันกับพับหูของมันเลไล่แมลงวันไม่ได้มากก็ให้ได้ขนาดนั้นแก็คือว่าตั้งใจทำทีนี้คนที่ไม่ทำ เจอว่าไม่ภาคเพียนไม่ทำนี่จะเอาให้มันได้ท่าเดียวอันถามก็มักจะถามว่าทำอย่างไรใจของข้าพเจ้าที่มันไม่อยู่นี่จะอยู่จะให้นึกอะไรให้เจริญอะไรมีวิธีไหนคือว่าจะลับเล่งให้มันน้อยที่สุดเป็นคนที่ไม่มีความเพียรหมั่นขยัน หลักพระ อ, องค์นั้นคือไม่ใท่จะเอาจะได้ถทยเดยต้องเพียรด้วยเพียรพยายามทำทุกคืนทุกคืนไปเถิดจะเข้าใจเองปฏิบัติได้เองแล้วก็ในความเพียรนี้ก็มีพุทธภาจิตข้อหนึ่งพระองค์ทรงตรัสไลยว่าวิลิเยนทุกขมัดเจติ บุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมถ้าทำอะไรแล้วมีความเพียรความหมั่นความขยันแล้สำเร็จได้ทันทนถ้าทำอะไรเดี๋ยวก็หมดความเพียรความหมั่นขยันเลิกล่างแต่กเกินไม่สำเร็จท็จสิ่งไปได้ ยังมีพุทธกถาพาธิ่าต้องเพียรเพียรพยายามทาคืนนี้ไม่ได้คืนต่อไปก็ยังมีชีวิตเรายังมีอยู่ลราก็เพียรพยายามทําไปทุกคืนทุกคืนเอาชีวิตนี้เป็นแดนเป็นที่ตั้งเอาชีวิตเป็นที่สุดท้ายตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ยังไม่ตาย เราจะต้องภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนจะไม่ประมาะทกีเลสมานสังขารมานมันจะโกหกพกกลมอย่างไรให้เราหลับเรานอนเราก็ไม่ยอมเราต้องทำเสียก่อนแล้วจึงจะค่อยเป็นไปถ้าไม่ทำเรามีแต่ว่าคนสมัยนี่ภาวนานอนไม่ใช่ภาวนานั่ง ไม่ใต่ภาวนาเดินจงกรมเหมือนคนโบราณค้ามาเป็นภาวนานอนนอนท่าเดียวหาลู่ไม่ว่าที่เรานอนนั่นก็คือนอนรอคอยความตายเมื่อความตายมาถึงเข้าเราจะนอนไม่ได้ถ้าคนเห็นเคยปฏิบัติคนจะตายจะรู้เดี๋ยวก็พุทลุกเดี๋ยวก็พุทนอน มันนอนไม่ได้มันนอนไม่หลับดอกเวลามันจะตายเห็ น, นั่นเราอย่าไปหลงมันตามกิเลสมันให้ภาวนานอนนอนมันก็หลับะครับมันก็หมดเวลาทั้ง น, นี้เป็นข้อวัดปฏิบัติอันหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องตั้งใจประกอบกระทําให้เกิดให้มีขึ้นการประกอบกระทําให้เกิดให้มีขึ้นนี่แหละ มันจะเกิดมีขึ้นได้ต้องกระทำการงานที่กระทำนั้นแหละมันมันสอนในตัวทำไปปฏิบัติไปในข้อถ้อยมันก็สอนในตัวงานเข้ามันก็เกิดความรู้ความฉลาดรู้เท่าทันในตัวในใจของบุคคลคนขนั้นเรียก ว, ว่าได้ปัญญาเกิดขึ้นด้วยการประกอบกระทม ยมจิตใจดงนั้นมีกำลังแก่กล้าสามารถอาหารเต็มที่ไม่ว่าของเล็กของใหญ่เอามาพินิจพิจารณามันรวมลงไปในความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายเหมือนกันหมดทั้งโลกตอนที่มันยังไม่ตายเราต้องรีบภาว น, นา พราวนาอย่างอื่นใดหลงเดืองของพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระอริยสงสาวกเป็นที่พึ่งของเราเราเอาเป็นที่พึ่งทางใจพระพุทธเจ้าทําได้เราก็เพียรพยายามทำไปมันก็ได้แต่ไม่ทําไม่ประกอบนี่เลยนั่นเรียกว่าไม่ได้ ความโลภความชลาดมันเกิดไม่ได้ถ้าหากว่าเราทำอยู่เสมอแล้วมันเกิดขึ้นได้หรือท่านเปรียดอย่างหนึ่งเหมือนไม่สีฝันไม่สีไฟคนเยาสมัยโบราณเมื่ออยากได้ไฟมาใช้เอาไม้ไผ่มาทำโถกันโถไฟมามันก็เกิดไฟขึ้นมาฮ้อน ก็ได้ไฟมาใช้สัญญาก็เหมือนเราปฏิบัติภาวนาตั้งใจแล้วก็ทำไปทุกคืนทุกคืนคนที่สุดทิ้งทิงที่เราว่าเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้รู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้มันก็รู้ได้เข้าใจได้เพราะความชำนิชำนานเคยชินบริกรรมทรามใจของตนอยู่ทุกเวลา นี่แหละความรู้ความเข้าใจตี่แท้จริง้ะมันเกิดขึ้นด้วยความเพียรพยายามอันมีอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติอย่าไปรอให้มันเป็นไปเองเป็นไปไม่ได้เป็นไปเองมันหนไปทางต่ํามันไปเองนะแต่จะขึ้นทางสูงทางดีเราต้องเพียรพยายามยังมีอุบายว่า ให้ภาวนาบทใดก็าตามเอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกโ mm hmm. นั่นแหละมันจึงจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัตินี่เซนอุบายธรรมะในทางพุทธศาสนา เมื่อว่าเราท่านทั้ ง, งหลายพากันได้กินได้ฟังแล้วก็ให้กำห น, นดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการรัชนีสปิติโยวิวัชชนตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตพววตะวันตรายโยสุขทีติคาโยโกภะวะ อาภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปิกายิโนเจตตาโรธรรมาวันติอายุวโนโสุขังสาะลาังขัดสมา็ินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เสร็เรียบร้อยแล้วก็เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงหลับตาไม่ต้องลืมตาจนกว่าจะนั่งสมาธิภาวนาจบลงไปฟังเทศจบลงไปเป็นการปฏิบัติภาวนาไปในตัว เมื่อหลับตาแล้วก็ให้ะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้แก่คำว่าพุทโทรธธรรัมโมสังโฆพุทโทรธธัมโมสังโฆ ส, สามคำนี้หให้นึกให้มันได้สามครั้งเป็นเก้าสามสามเก้า แล้วกอ น, นึกเอาคำเดียวจเจริญเอาคาเดียวว่าพุทธโธพุทโธพุทธะนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าลงมาแต่ในจิตใจคนเหล่านั้นก็มีดวงพุทธอยู่จิตใจคนเราทุกคนทุกดวงนั้นเป็นดวงพุทธะ แต่ตนพุท ธ, ธะที่ยังไม่ได้ละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปเวลาเรานั่งขัดสมาธิเสุด็เดียบร้อยขันให้เลือกแ่บพุโทโธเอาคำว่าพุโทโธนี่แหละมัดจิตใจของเราให้อยู่ไม่ให้ไปที่อื่น อาเจต า, ล ม, าลมอารมณ์อดีตที่เราผ่านมาตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ดีร้ายประการใดก็ไม่ต้องเอามาคิดนึกทำใจนี่ให้เฉยอยู่ภายในตัวเี้อารมณ์เรื่องราวใดๆที่เป็นอนาคตการข้างหน้าก็ไม่ต้องไปคิดถึงเพราะว่าสิ่งนั้นมันยังไม่มาถึง ให้รวมจิตใจเอาอารมณ์ปัจจุบันคำว่าปัจจุบันนั้นหมายถึงเดี๋ยวนี้เวลานี้เราเนี่ยคุทรูพุทรูอยู่เดี๋ยวนี้ก็นี่ยแะปัจจุบันแต่ถ้าเป็นเพียงเรานึกบริกรรมเท่านั้นจิตยังไม่รวมจิตยังไม่สงบ ก็ยังไม่เข้าถึงพุโทโแท้แจ่ว่าถึงพุโทโธแค่สมมติว่าพุโทโธพุธโทโธพุธทธาจริงๆมีอยู่ในตัวคนเราทุกคนคนคนหนึ่งก็มีดวงใจดวงเดียวนี้แหละเป็นองพุทโธโยภายในถ้าดวงจิตผู้หูนี้ไม่โยในร่างกาย เขาก็เรียกว่าคนนั้นตายไปแล้วถ้าจิตไม่โยร่างกายสังขารของคนเราไม่ว่าเด็กนมแจ๋ทลาอย่างไรก็โยไม่ได้ร่างกายนี้จะเปื่อยเล่าพุพังแตกดับไปทีเดียวงจิตดวงใจผู้รู้อันเนร เมื่ออาการอยู่สีอาการเรทนาสวยอารมณ์สัญญากรรมหมายสำขัญจุงแต่งชุดนึกอะไรต่อมิอะไรเมื่อจิตนึกอะไรต่อมิอะไรก็มีความรู้สึกตามอาการนั้นอาการทั้งสี่นม่แหละรวมเข้ามาให้ช่วว่าจิต ด, ดวงผู้รู้อยู่ จิดดวงผู้รู้อยู่นี้ไม่มีรูปล่างสีสันานแต่มีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาในร่างกายสังขารของคนเราทุกๆคนโดยเฉพาะเวลาเราฟังเสียงแม้จะเป็นการฟังเทศฟังธรรมก็ตาม เสียงนีเมื่อมันดังขึ้นมาแล้วมันจะลอยไปในอากาศคนหูดีก็ได้ยินเสียงเครื่องหูรับเอาเสียงนั้นเข้าไปส่งเข้าไปไปถึงจุดใจเบื้องตูหรือภายในก็รับเอาว่าทำที้แจงจแสดงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามเรื่อง นั่นแหละให้เชื่อจิตดอนคู่โลยอยู่ในตัวคนเราตั้งแต่เรามาเกิดในภพนี้ชาตินี้แต่ความจริงคือว่าจิตดวงผู้โลนี่มันมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ในโลกนี้นับในทวนแล้วหมายถึงรูปปัจขันธ์ร่างกายเมื่อไปเกิดตป็นสัตัตนั้นก็ต้องมีความตา มาเกิดเป็นคนรูปร่างกายของคนเพศหญิงเพศชายนี่ก็ต้องมีเวลาแตกดับตายแต่จิตใจดวงผู้ลูกแต่รับุคนนั้นมันไม่ได้ตายมันมีมาต่อนแต่ชัตมิชาตินีมาตั้งแต่อะันจชาติ พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ปรัะรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมแล้วรู้จิตใจดวงนี้ว่าถ้อาองก็ดีศาสต์โลกก็ดีถ้านับคืนไปข้างหลังแล้วไม่มีที่สดที่สิ้นและการเกิดการตายของสัตว์นั้นของจิตนี้แต่ไม่ได้หมายว่าจิตมันตายจิตมันไม่ตาย รูปล่างตัวตนสัตว์บุคคลนั่นแหละมันเกิดมันตายเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่รูปร่างกายมันแตกได้ดับไนดะ้แต่จิตมันไม่แตกไม่ดับพอร่างกายสังขาร น, นี้ใช้ไม่ได้มันคุนนี้นีออกไปที่อื่น ถ้ามันออกหนีจากรลลูปร่างกายนี่แหละไม่มีใครรู้เพราะมันเป็นนามธรรมไม่มีตัวตัวมันคือมาหมายเอาดินน้ำไฟลมจึงให้พากันรวมเอาจิตใจดวงที่นิดว่าพุทโธพุทโธอยู่ในทุกลมหายใจเข้าออก ส่วนกิแกกลแกความโกรธกิแลสความโลภกิเลสความหลงอันใดที่มันมีอยู่ในตัวในใจของเราเนะี่ยให้พาํำเลิกละออกไปความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราต้องเทียนพยายามเลิกละออกไปอย่ามันยึดมั่นถือมั่น ให้ใจมันมันม่นลงไปในบริกรรมภาวนาให้ได้เคลียกว่ดพุทโธในใจเอาจริงๆนั่งก็พุทโในใจนึกตอเนื่ออยู่ในใจนั้นจิตก็ไม่ต้องแปหาที่อื่นเมื่อมีความรู้สึกอยู่ในตัวในใจที่ไหนก็มันก็อยู่ที่นั่น ทำใจให้เฉยๆไว้อยากไปมัวยึดมัวถือถ้ายึดถือมากเท่าไรทุกก็มากเท่ามรถ้าไม่ยึดถือเสียเดยจิตก็สบายพุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธจนนอนหลับหลับไปแล้วก็แล้วนปื่นขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดก็พุทโธต่อมาอีก หาจุดตรงให้มันสงบตั้งมั่นอยนัยกรรมโยได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจน จ, จิตใจดวงนี้สงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาดีแล้วเมื่อใดจงจะได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาว่า นามหมายถึงจิตรูปหมายถึงตัวลูดนามกายใจตัวตนบุคคลเหล่านี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นเท็เป็นอนัตตาคือที่เราเยึดมั่นถือว่นานว่าเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ได้เป็นของใครภาคดินมันเป็นของใคร ที่ของเราที่ดินที่บ้านเรียกสวนไล่นาเป็นของเราเราจะเยึดถือกันฮะแต่แผนดินมันไม่รับรู้ใครทั้งนั้นมันเป็นแผนดินเป็นน้ำน้ำมันเป็นอย่างใดมันก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้นไฟมันมีอย่างไรมันก็เป็นไฟร้อนอย่างนั้น ลมมันพัดผ่านไปมาอย่างไรมันก็เป็นลมพัดผ่านไปมาของเขาอย่างนั้นเองเขาเป็นสียงภาพเี่นีมนโนภาพหยุดใจเราผู้ภาวานานจะต้องมาสงบตั้งมั่นในบริกรรมเน็ตบริกรรมภาวานาให้มันหยุดอยูดได้ แล้วจึงจะได้ความโลกความเข้าใจขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเรายึดถืออยู่มันเป็นความหลงของจิตที่เป็นมาตั้งแต่อนเนกชาตินับพนมาชาตในท่วแล้วเกิดมาพบใดชาตใดมันก็มาทุกมาบนเพื่อลำไลเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้แหละ อย่างมีชีวกเยืนยาวข่าวไกลขนาดไหนก็ตามแต่นานเข้ามันจะถึงขั้นแตกดับที่เราเรียกว่าตายคนสมัยนี้นั้นอายุไม่ค่อยจะถึงร้อยปีตายก่อนร้อยปี สมัยขั้งพุทธกาลสมัยต่อพุทธเจ้าคนร้อยปีคนร้อยยี่สิบปีทั้งคนทั้งพระสงสามมันเลรอายุคันยืนพวกเราเกิดมาสมัยนี้อายุไม่ค่อยจอยืน อีกไม่นานก็ได้ข่าวคนนั้นตายแล้วคนนี้ตายแล้วบางคนเกิดร่วงพ่อแม่อันเดียวเก้าคนสิบคนสิบ2อดิบสองคนก็ยังมีตายไปหมดยังเหลือแต่คนเดียวจะมีบางคนก็ไม่มีเหลือเนนะคือว่าอภัพันธ์ชีวิตต่ชีวิตให้เป็นของน้อย เราจะต้องลีกเล่งภาวนายาได้หลงเคลเลินดีใจเข้าโศกเสียใจกับสังขารท่างๆลีภาวนาทำใจให้สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้เมื่อเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นจิต เป็นเพศหญิงเพศทางอย่างนี้แด้จะไม่ให้มีความทุกข์นั้นไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วมันต้องมีเรื่องทุกข์ให้จงได้มันหนีไม่นจะให้มีแต่สุกดกายสบายใจอย่างเราชอบก็ไม่ได้อีก เพราะภาพแท้ของรูปนามกายใจตัวตนคนเรานั้นมันเป็นธาตุทุกข์กองทุกข์นั่งเป็นทุกข์ในนัง่งนอนเป็นทุกข์ในนอนยืนเป็นทุกข์ในอยู่ตลอดจนถึงวันตายก็ทุกข์ในวันตายก็ตายไปตายไปมันไม่ใช้วันแล้วมันไม่แล้ว กิเลตราคะโทสะโมหะที่มันยังลุ่มหลงอยู่ในใจของบุคคลเหล่านั้นเองมันก็กลับมาเกิดอีกมาปฏิสนธิยินยานในท้องแม่เป็นคนเกิดมาเกิดในท้องแม่เป็นสัตว์ทำชั่วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ในท้องสัตว์ เป็นช้างนาโคกระเบือได้ทั้งนั้นแหละไม่ใชยตัวนี้มันไปเจ็บนี่มันไปเกิดมันเกิดมันตายเพราะความหลงความยึดถือถ้าจิตนี่ไม่ยึดถือแล้วยังว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดบังเกิดนี้ขึ้นคนทั้งหลายก็มักจะ นว่าข้าพเจ้าไม่สบายแท่งจึงร่างกายท่าทีเขาไม่สบายจิตใจคนเรานั้นมันยัมีตัวตนอะไรถ้าไม่ยึดถือแล้วมันก็สบายทุกเวลาจิตภาวนาปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวต่างๆได้สงบจิตใจได้มันสบายที่สุด นั่งก็สบายนอนก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายตรงนั้นแต่ถ้าจิตดมันไปหยึดหน้าหืุตายึดชาหยุ ด, ดตะกูรยึดเรายึดของของเราที่นี่ก็เป็นทุกข์แหละเพราะในโลกเรานี้เรียกว่าโลกกระทำแต่ประการ มีความสำเสริญที่ไหนก็ต้องมีความเมตตาที่นั้นมีความสุขกายสาบายใจอันเป็นโลภีที่ไห น, นที่นั่นมันก็มีความทุกข์มันไม่ใช่สุดอย่างเดียวมีลาก็ต้องมีการเสื่อมลาบมียศมีชื่อเสียงก็ต้องมีการเสื่อม เป็นธรรมดาผู้ภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่ อ, อจิตใจสงบตั้งมั่นดีแล้วก็จะค่อยรู้ค่อยเข้าใจไปแต่ต้องลงมือทามไม่ใช่อยู่เฉยๆต้องภาวนาบ่อยๆ นึกน้อมภาวานาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกต้นจิตใจ ส, บจจใจสงบหลัง่งน้ำเยือเกเย็นสบายได้คงจะมีความรู้ที่แทเกิดขึ้นในกายวาจาจิตนี้เองแต่ถ้าปะ ล, ะล่อยปลกละเลยไม่มีสติความระลุกได้ ไม่มีสมาธิจิตตั้งมั่นไม่ได้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาใจมันก็ะลอยไปลอยมาเหมือนพระตกชวาลานั่นแหละไม่ให้จิตใจมันลอยไปลอยมารวมเข้ามาสงบเข้ามาพุทธโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตคำโมพะธรรมก็อยู่ที่จิต สังโฆพระสงฆ์สาวกประโยชน์ที่จิตก็คือจิตใจของคนเหลานั้นเองพระพุธทธประโยชน์สินะถ้าภาวนาราะดิเละความโกรธได้ละดีเละความโลภได้ละดิเละความหลงได้คนเหลาทุกคนก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้จริง แต่นั่นในตัวคนเราก็พระพุทธธรรมประสง์นั่นเองแต่ต้องทำต้องปฏิบัติภาวนาอย่าไปนิ่งนอนใงอย่าไปสบายแล้วก็อยู่ทฉยเฉยไม่ภาวนาไม่ละกิเละความกโลกรธโลงไม่ได้เพราะกีเละความโกรธความขัดเคืองในจิตนั้นมันมีอยู่ทุกตัวสัตทุกตัวคน คืองความรอดคือรา